ก็ที่ครั้งก่อนนะที่หลวงตาบอกว่ามันชอบเข้าไปในช่องว่างเข้าไปในความว่างาผมก็ไปก็ไม่ค่อยได้เข้าอ่ะครับแต่ว่าก็ผมผมเห็นว่าสิ่งที่ยังผิดพลาดอยู่ก็คือว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยทันอารมณ์ที่เราไม่พอใจเช่นอารมณ์หลายอารมณ์ที่เราไม่พอใจเนี่ยเรายังมีตัวเราเข้าไปไปเป็นตัวอยู่อ่ะครับหลวงตาคือว่าอย่างที่หลวงตาพูดตลอดว่ามันไม่มีตัวเรามันไม่ได้มีอะไรเป็นเราอะไรเงี้ย คือความไม่ทันนะคือว่าเรายังไปเป็นตัวที่เป็นตัวเเดี๋มันไม่ใช่ว่าไม่มันต้องไปทันอะไรให้หมอที่หมอว่ามันคอยมีหลงไปมีตัวเราเป็นตัวเราที่บอกว่าลวงตาบอกมันเป็นตัวเราแล้วมันคอยไปเป็นตัวเราเป็นตัวเราไม่ให้เห็นมันเพียงแต่เคียงว่าไอ้ที่เนี่ยมันคอยไปมีตัวเรามันเป็นสังขารไอ้เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันมีตัวเราเขาไปไปเป็นอะไรเขาไปมีอารมณ์กับอะไรมันเป็นสังขารนัมันเป็นแต่สังขารไม่ใช่เรา เมื่อเราเห็นว่าทุกครั้งที่มันไปแต่เราเราแค่เห็นมันแค่รู้มันว่าแค่รู้สึกว่านี่มันเป็นสังขารสังขารที่คือสิ่งที่ปรุงแต่งที่เกิดขึ้นระดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเป็นสิ่งเกิดดับครับไม่มีสาระแก่นสารแค่นั้นแนบมันก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยคือมันปรุงขึ้นมาอะไรก็มาเป็นสังขารทันทีเลยมันจะรู้สึกในใจขึ้นมาพร้อมกันขณะที่มันปรุงว่ามันเป็นสังขารที่แล้วก็ไม่มีมันพอเป็นสังขารแค่นั้นมันสิ้นยึดมั่นถึงมั่นไปเลย บางทีเหมือนความความรู้สึกตรงเนี้ยครับความความรู้ตรงเนี้ยมันเหมือนมันไม่ทันนะครับต่อมันมันคือมันไม่ทันแต่เราเนี่ยเราอาจจะมาทันมาที่หลังแต่ต่อไปจะทันมากขึ้นมันจะทันเร็วขึ้นแต่ขอให้มันทันเรื่อยๆทันเรื่อยๆแต่ขอให้ทันทนอะไรก็เห็นเป็นสังขารทั้งนั้นแล้วก็สิ้นยึดบ้านทั้งบ้านเพราเราเห็นว่ามันเป็นสังขารต่อไปมันจะทันมากขึ้นเรื่อยๆพอเกิดขึ้นมหม่จะทันมากขึ้นเรื่อยๆแต่คอยเราเห็นว่าพอเห็นแล้วต้องเห็นว่ามันเป็นสังขารนะครับ มันเป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งมันของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่มีสาระแก่นสารไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอย่างนี้ทุกครั้ง <S S S S รู้สึกอย่างนี้แล้วกํากับอย่างนี้ทุกครั้งต่อไปมันจะไม่ต้องกํากับครับ <S S 3> มันจะทันกันพอมันเกิดขึ้นอ้าวมันจะมันจะจรู้ต่อหลังรู้ตามหลังสักหน่อยนึงรู้ตามหลังแล้วเราก็รู้ที่ไายตามหลังแล้วกํากับมันว่า ไม่ต้องกำกับว่าเนี่ยมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็ น, นจริงทุกของอางันตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเป็นเพียงไม่มีสาระแก่นสารเป็นจริงเกิดๆดำๆเราอาจจะกำกับๆๆด้วยยังไงก็ได้อาจจะกำกับ<ๆ>เดี๋ยวมัน จ, จะกำกับสั้นลงสั้นลง <ผม S 2> จนกรทั้งที่สุดละนี่ก็สังขารนั้นแหละนี่ก็สังขารนั้นนี่ก็สังขารนะ้นมันจะสั้นลงเรื่อยกำกับสั้นลงเรื่อยๆแล้วต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆรู้ทันกันไม่ต้องตามหลงังคือพอมันโผล่ขึ้นมาก็สังขารแล้วมันไม่มียิตมานถือบ้านโดยอัติสังขาร ต่อไปไม่ว่าจะมีกิริยาอะไรเกิดขึ้นเร็วการปรามโนอะไรก็ตามมันก็รู้ทันกันทันทีว่ามันเป็นคือปัญญาเนี่ยมันทันกันไปทันทีตลอดการคือมันว่าสังขารเกิดขึ้นกับสังขารพอสังขารเท่านั้นเน่ยใจมันสิ้นยิ้มมั่นแต่มัานไปทันทีเลยตอนต่อไปเนี่ยใจมันจะไม่พาดก่อเป็นสังขารคือมันรู้สึกไปเลยว่านี่เป็นสังขารแต่เงี้นอย่างที่หลวงตาอธิบายให้ผมฟังก็คือว่าคือเราก็ต้องคอยหมั่นเหมือนกับระลึก ําบอกตัวเองไม่<ๆ>มต้องต้องโยนิสโสมานาติการคือว่าอันนี้เป็นสังขารและสังขารเป็นของไม่เที่ยงอนิจจทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรามีแต่สังขารเท่านั้นที่ปรากฏได้นอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรปรากฏนั้นอะไรที่กระเพื่อมอะไรที่ไหวตัวอะไรที่มีปฏิกิริยาขึ้นมาอะไรจากไม่มีเป็นมีขึ้นมาถ้าเราตายแล้วเป็นท่อนไม้เราตายแล้วเน่าเดี๋ยวนี้มันจะแสดงพฤติกรรมแสดงพฤติแห่งจิตแบบนี้ได้ไหม มันยังมีความรู้สึกไหมตายแล้วยังมีตายเป็นเน่าแล้วมันยังมีความรู้สึกอย่างนี้ได้ไหมยังบ่นได้ไหมยังพูดได้ไหมยังตึกตองได้ไหมยังเพลงได้ไหมยังพยายามรู้ละปล่อยวางได้ไหมถ้ามันไม่ได้นะเราตายเน่าแล้วกริยาการเหล่านี้ทําไม่ได้แสดงว่าสังขารทั้งนันวางหมดเลยเนี่ยคือไม้ตายก่อนลงตาเลยคือว่าถ้างงว่านี่มันสังขารหรือเปล่านี่มันต้องละต้องปล่อยต้องวางเปล่าถามตัวเองทันทีว่าถ้าเราตายเน่าตอนเนี้ยไอ้ตัวเราที่เน่าอย่างเนี้ยมันทํากริยาการอย่างนี้ในใจได้ไหมคือ คิดไปนึกไปวิเคราะห์วิจารวิจัยดิ้นรนค้นหาพยายามหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดหาความเข้าใจพยายามเพ่งจ้องดูละปล่อยวางไม่ั่วหมดเลยพยายามทําอะไรมั่วอย่างเงี้ยมันทําได้ไหมเนี่ยถ้าเราตายเน่าตอนนี้มันทําได้ไหมทําไม่ได้สักอย่างเดียวอันนี่มันก็ทําไม่ได้ก็สังขารนั่งนั้นเนี่ยเพราะว่าตายแล้วจะดับหมดอะสิ่งไรที่เราตายแล้วมันดับหมดเนี่ยร่างกายที่เน่าเนี่ยมันไม่สามารถมีกิยาการอย่างนี้ได้ ไอ้นี่ก็เป็นสังขารดงนั้นนี่แสดงว่าเป็นของไม่เที่ยงหมดเลยเพราะว่าพอตายเน่าไรสิ่งนี้มันเกิดดับไม่ได้ไงเพราะนอ้นอ้าวสังขารงนั้นวางหมดเลยนี่ไม่ตายแล้วนะปล่อยวางหมดไม่เอาเลยใจมันรู้สึกหมดเลยเป็นสังขารสังขารอะไรเกิดขึ้นมาในขณาดปฏิบัติก็เป็นสังขารสังขารแต่มันต้องไม่ไม่ต้องโยนิโสมรัติกาไว้ในใจที่พระเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่มีสองอย่างเนี่ยคนทุกข์ยากพระเจ้าจะไม่ได้เลยคือหนึ่งกัลยาณมิตรคือ ว่าแม่คูบาจารย์ที่รู้จริงมีบุญวาสนาแต่ปางเก่ากันมาก่อนสองโยนิโสโยนิโสมนัติการโอเคครับเข้าใจนะครับหลวงตาคือบางทีมันมันมันมันมันมันตกตรงตรงนี้ไปทําให้แต่ละช่วงขนาดบางทีมันมันผ่านไปแล้วเราก็กลายไปเกิดอารมณ์อืนต้องขยันต่อยนิโสมนัติการแล้วกากับสำทับมันไปสำทับมันไปต่อไปนานๆแล้วไม่ต้องสำทับแล้วมันมันมันเคยรู้สึกจากใจเลยครับเหมือนกับคล้ายๆกับว่า เราเนี่ยจำชื่อคนยากเราก็เปรียบเทียบคนที่ชื่อนี้ลูกศิษย์เราเยอะมากเราจำไม่ไหวถามต้องถามต้อง ถ, ถ, ถ, ถามอีกเงี่ยเปรียบเทียบคนนี้เราต้องเปรียบเทียบไม่ไหวต้องคอยจำทับอ่ะคนนี้ลูกชื่อใครคนนั้นคนนี้ชื่อใครไอ้นี่คนนี้ชื่อคใครกับนัานอย่างเงี้ยก็ต้องเราก็ต้องคอเปรียบเทียบไว้ในใจอย่างเงี้ยแล้วมาเจอเขาอีกก็อาจจะถามก็ต้<ส rapport>องตอบตามคำ ก็หมายความว่าเรามันกับจริงงมันก็เหมือนกับใช้สังขารด้วยใช่ไหมครับใช้สังขานคือโยนิโสวนาติการในใจช่วยเปรียบเทียบว่าคนเนี้ชื่อเขาเหมือนกับคนนั้นคนนี้ชื่อก็เหมือนกับอันเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต่อไปเราก็จะจําได้โดยที่เราไม่ต้องไปคอยบอกว่าชื่อเขาเปรียบเทียบกับใครอะ่าคือมันเรียบไปเลยอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วครับคุณตาคือคือก่อนก่อนที่มันจะมาตรงนี้บางทีเมื่อก่อนมันอยู่ว่างๆแล้วมันก็เลยรู้สึกสบาย เนื้อถ้ามันแบ่งแบ่งบางๆแล้วก็เละเลยเนี่ยเละเลยไม่ไม่โยนนิสโตรวนนิสเซอพอมันออกมามันก็จะเห็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะกระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิกแต่ว่าเรายังไม่ได้โยตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเป็นเราบ้างบางทีเราไม่ได้ใช่เพราะเราไม่โยนาิสโตรวนนิสกาเนี่ยถามว่าเชื่อเชื่ออะไร แล้วก็เขาบอกเชื่อปุ๊บแล้วเราก็แบงค์ไปเลยเราก็ไม่สนใจเพื่อที่เปรียบเทียบกับอะไรเงี้ยจํายากอย่างเงี้ยใช่ไหมจะจำชื่อเขยากมากเลยเพราะเราไม่ไปเปรียบเทียบกับอะไรไว้อย่างเงี้ยนี่ถ้าเราเปรียบเทียบไว้กวคนที้บอกเชื่อปุ๊บเราก็เปรียบเทียบไว้แล้วเราก็ขยานเปรียบเทียบสักพักนึงเราจะจำเขาได้แบบเดียวกันน่นต้องโยนิโสแบบเดียวกันเราต้องโยนิโสว่านี่มันอันนี้คือสังขารสังขารสัขารคือสิ่งที่ไม่เที่ยงนะเปนสิ่งที่เป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตตตัวเเราา่ใชนขอออองงป็้คย กับกองทัพเหมือนกับสราถามชื่อคนแล้วก็ต้องต้องคอยไอยไปเปรียบเทียบกับอะไรไว้ไงมันหลายคนเนี่ยอนนี้ถ้าเรแบงจ่ายเปนแบงกว่างเดียวเดียวใครมาชื่ออะไรแล้วก็ผ่านไปชื่ออะไรชื่ออะไรไม่คอยเปรียบเทียบไว้มันลืมไม่จำไม่ได้เราเพราะว่าจ่ายเปนแบงแบงอยู่ตลอดเป็นไปช่องว่างตลอดเวลาเงี้ยจําอะไรไม่ได้เลยเข้าใจแล้วครับคุณเต๋อแต่จิตเร็วจิตเขาเร็วเพราะเร็วเป็นคนเร็ว จิตใจจิตเร็วแต่สต ik er. er. er. er. er. er. er. ิก็เร็วจะได้สติก็เร็วจิตก็เร็วจิตก็เร็วสติก็เร็วมันันทันกันจะได้คอยสติมันทันจิตกคนันเน่ะไม่หลงไปตามจิตแล้วไปดับอย่าไปดับมันนะแต่ต้องทูทันมันหมดจิตมัอนพวกสิบแปดมงกุฎจิตจะเร็วปานใดก็ตามเหมือนพวกสิบแปดมงกุดถ้าเรารู้ทั่นไว้มันทำอะไรเราไม่ได้จิตมันพวกสิบแปดมงกุดมันจะเร็วปานใดก็ตามแต่ถ้าเราเนี่ยมีสติรู้ทั่ทันมันมีสติปัญญาคอยรู้ คอยรู้ตระทำกาตลอเวลาทำอะไรเราไม่ได้เหมือนพวกติแปดมงกุรในโลกนี้เยอะแยะเหมือนเราเดินสวนก็นมาไม่รู้ใครเป็นพวกที่แปดมงกุรบ้างแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคอยรู้ตระทำกามันไว้เนี่ยมันมเาเรี่ยไร่ยังไงเราคอยรู้ตระทานไว้เราก็จะไม่โดนต้มแต่ถ้าเราไม่รู้ท่ะทานมันเนี่ยเราก็โดนต้มในง่ายๆที่เราเห็นนี่ก็แชร์กันมาใ น, ใ น, นในไลน์ในอะไรต่างๆที่เขาแชร์กันเข้ามาพวกโดนตดแปดมงกุรต้มหลอกด้หลอกอย่างนี้หลอกอย่างนั้นที่พวก ที่วันก่อนเราเห็นคืแชร์มามันก็ดีเราก็เลรียงยญแชร์ส่งไปที่ว่าอะไรผู้หญิงขับรถคนเดียวแล้วมีคนก็พอจะตาตารถพบกับมีผูชามายืนมองขอข้อพิสูจนแล้วก็ชี้ๆที่ข้างๆรถก็นึกว่ารถเป็นอะไรเอาก็ยังไม่อะไรเดี๋ยวคนที่สองมาอีกไอแต่ทํามันเป็นพวกนั่นแหะต้มตุ น, นอย่างเงี้ยแล้วมันแกล้งทำให้เอาเหรียญเอาเหรียญลยไว้ตรงข้างารถอ้าวพอปุ๊ประตูมาโอ้เหรียญเหรียญเยอะเลยแล้วความโลภนั่นไงหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบลงมาเก็บเหรียญ เม่เก็บเหรียญมาเปิดประตูข้างโน้นมาหยิบยบกระเป๋าไปเลยเนี่ยคือไม่รู้่า ท, านทนันพวกที่แปดมงกุฎั้นพวกแปมงกุฎมีเล่เหลี่ยมมีวาเยอะถ้าเรารู้ทัาทานบนทุกแง่ทุกมุมเราก็จะไม่ถูกหลอกเราจะถูกหลอกครังง้งสองครั้งแต่พอเรารู้ทำไบ่อยจิตเหมือนพวกทีแปดมงกุฎก็จะไม่หลอกเราได้ขอให้เราเนี่ยรู้เ่าทันจิตเหมือนพวกรู้่าทันพวกที่แปดมงกุฎทุกแง่ทุกมุมมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่หนูพอจะฝึกฝนได้ ให้มีสติรู้ทันจิตเหมือนพวกที่แปมงกุฎเพจะทันเหมือนที่เหมือนในเดนอาหลนเจ็ดขั้วสอนพระไบรแลนเปล่าคอยสํารวจเอ่สํารวมทั้งห้าประตูตาหูจมูลิ้นกายเปิดประตูไว้ประตูหนึ่งประตูใจแล้วคอยรู้ทันมาในทุติแปดมงกุฎที่ประตูใจจะลงไปกับมันก็จะพ้นทุกได้เหมือนกับเดนอาหลานเจ็ดขั้วสอนพระไบรลนเปล่าจิตแต่ท่านน่ะไม่ไม่ท่านเปรียบเทียบหนักกว่เราอีกท่านไม่ได้เปรียบเทียบว่า จิตมันโพสต์แปดมากูดท่านบอกว่าตัวเฮียเลย <laughs> มันตัวเฮียเลย <laughs> มันเป็นตัวเฮียต้องคอยรู้ต้องทันมันเนี่ยไหต oh ัวเฮียเปิดไว้ปิดประตูหมดเลยฮะตาหัวจะมูลิ่งกายแล้วเปิดประตูไว้ตัวแล้วคอยจับต oh ัวเฮียคอยรู้ต้องทันตัวเฮียไว้ให้ดีนั่นแหละถึงเอาชนะมันได้เข้าใจไหเพ้ก็ผู้รู้ไม่พูดค่ะแต่ว่าสังขารเนี่ยมันจะพูดอะไรก็ปล่อยมันไป ก็พยายามที่จะมีสติรู้เท่าทันสังขารซึ่งหนูงตาก็จะบอกว่าสังขารมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นซึ่งตอนนี้หนูว่าก็เป็นหนูอีกก็พยายามที่จะดูสังขารไปนะคะถ้า ไ, ไปพยายามดูอย่างนั้นนะไล่ไม่จนต้องเป็นใจที่ไม่สังขารไว้ คือใจเนี่ยสังขารไม่ได้มีแต่ความสงบลมเย็นให้เป็นใจที่สงบลมเย็นสังขารอยากจะปรุงไงพระช่างเหมือนเปอย่าไปหลงไปกับมันเป็นใจที่สงบลมเย็นอย่าอย่าไปไล่สังขารเพราะว่าไล่ไม่จนหรอกใจสงบลมเย็นไว้สังขารเร็วที่สุดปานปรมาณูอะไรละเอียดกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นทำอะไรใจไม่ได้อืให้เป็นใจที่มันสังขารไม่ได้ไว้อย่างเดียวคเป็นใจใจมันสังขารไม่ได้ ไม่ใช่บอกมีตัวเราเป็นใจนะเออคือใจเนี่ยเป็นใจที่สังขารไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีตัวเราเป็นใจแต่เป็นใจที่มันสังขารไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างที่บอกว่าใจในี่ยคิดไม่ได้พูดไม่ได้นนแล้วก็วจะสังขารยังไงก็ช่างมันเถอะมันจะสังขารยังไงมัก็เกิดเองดับเองมันจะสังขารยังไงมันก็เกิดเองดับเองมันจะเร็วปานใดละเอียดปานใดมันก็เกิดเองดับเองเป็นใจที่พูดไม่ได้คิดไม่ได้อย่างเดียวเป็นใจที่พูดไม่ได้คิดไม่ได้อย่างเดียว <reproduce. S 1> ไม่ใช่ว่าไปไล่ไล่รู้เท่าทานสังขารไล่ไม่จนหรอกเพราะไอ้ผู้ไล่เป็นสังขารมันจะกลายเป็นสังขารตัวเองเราไม่เป็นใจแต่แรกมันกลายเป็นผู้ไล่ไล่รู้เท่าทานสังขารแต่นี้เลยไม่ไม่กลายเป็นใจไปเป็นสังขารตัวเองเลตัวเนี้ยจะพลาดตรงนี้นะเพราะสังขารจะเร็วปานใดละเอียดปานใดไล่มันไม่ทันเราถ้าเราไปไล่เราก็เป็นสังขารด้วยไล่กันไปฐานตายเลยตัวนี้ต้องเป็นใจที่ไม่สังขารอย่างเดียวอย่างอื่นยจะสังขารช่างมันเขาจะสังขารเร็วปานใดก็ตามแต่ใจไม่สังขารอย่างเดียวที่ท่านกล่าวว่า โลกวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายโลกคือเจ้าตัดว่าโลกคือสิ่งที่นอกตัวเราทั้งหมดเรียกว่าโลกโลกคือร่างกายพุทธเจ้าก็เรียกว่าโลกโลกคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าโลกโลกที่เป็นสังขารก็เรียกว่าโลกทั้งหมดสังขารเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายโลกวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายแต่พุตธะปือมีอยู่แค่นี้เนี่ย โลกจะวุ่นวายยังไงแต่เราไม่วุ่นวายตะพุตตะพือปล่อยให้เขาเป็นเรื่องวุ่นวายของโลกแต่เราไม่วุ่นวายนะแต่่แตถ้าเราไปไล่รู้เท่าทันโลกไล่รู้เท่าทันยังไงไล่ไม่หมดหรอกเยอะมันเยอะไล่ไม่ได้ไอจิตตดีเนี้ยแม่ เ, เราเนึกถึงจิตตดีแล้วนึกถึงไอสไต์เลยแหละเพราะว่าเราไปดูเราเราพยายาม ดูอวิดีโอเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพของทัตไอสต่ายอ่ะมันใกล้เคียงตรงนี้มากเลยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสต่ายอาจารย์คิดแต่เสียงมันเร็วที่สุดในโลกแล้วต่อมาวกินเพราะว่าแสงมันเร็วกว่าเสียงอีกต่อมาจิตที่โอ้โหมันเร็วมากจิตที่เร็วที่สุดในโลกจิตที่คิดเนี่ยคิดในตอนปรุงแต่งมันเร็วที่สุดในโลกไอสต่ายคิดถึงแบบว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพว่าความเร็วเนี่ยนะ มันเหมือนกับว่ารถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราใช้ความเร็วยังไงก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้รถไฟเนี่ ย, ยความเร็วของรถไฟเนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วเราวิ่งมากเราวิ่งตา ม, ถตามรถไฟเราไม่สามารถจะรู้รถไฟว่ามันมันมีความเร็วสงูยงยังไงและถ้าเราเนี่ยไปติดอยู่กับไอ้สิ่งที่เป็นความเร็ว ส, <S <S สูงเนี่ย <S <S เราจะมองธรรมชาติผิดจากความจริงเช่นว่า เราขึ้นไปบนรถไฟความเร็วสูงคือเราไปติดอยู่กับความคิดที่เป็นความเร็วสูงเนี่ยเราจะมองธรรมชาติปิดจากความจริงคือพอเราอยู่บนรถไฟความเร็วสูงปุ๊บ mm. เขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีภาพเราอยู่บนรถไฟความเร็วสูงน ะ, ะเราจะมองเห็นตึกรามบ้านช่องต้นไม้ข้างทางเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้แต่เราไม่เคลื่อนไหวเพราะเรายืนอยู่กับที่ไงเรายืนอยู่กับที่เรายืนมองข้างนอกหน้าต่างอ่ะเราเรายือนอยู่กับที่เราอมอ ง, งนอหน้าต่างแต่เราไม่เคลื่อนไหวเพราะเรายือนอยู่กับที่เ ร, ทาาเราไม่ได้เดินไปไหน แต่เราเห็นต้นไม้เคลื่อนไหววิววิววิววเหือนเลยอ่ะเราเคยไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงของอเมริกานะโอ้โหมันเหมือนเครื่องบินเลยอ่ะพอมันจะออกทีเนี่ยมันยกตัวมันขึ้นมาเนี่ยแล้วเวลาจะออกเนี่ยมันก็ขึ้นเครื่องบินเหมือนเครื่องบินดีๆแท้ๆนี่หลยผมยกตัวขึ้นมาเสียงดังชิ่วมือนแล้วมันมันมันต้องขึ้นตัวมันเองสัก่อนอหะชื่อเหมือนควไอ้มันเป็นไอ้ให้กําลังมันมันต้องกลัวล่ะมันไม่เกียร์พ่นหรือต่างหลายไอพ่นอ่ะ แล้วมันก็คือไอ้พ่นนี่ยเคลื่อบไปไอ้พ่นดีๆแล้วก็ชื้นกมันแล้วมันปุ๊บวปแล้วโอ้โหไอ้ข้างๆทางเนี่ยเห็นมันวิววิววิวไปหมดเลยนะตึกราบ้านช่องเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแต่เราเนี่ยไม่เคลื่อนไหวแต่แท้จริงอ่ะเราเป็นคนเคลื่อนไหวไม่ได้ผิดธรรมชาติไปหมดเห็นทุกอย่างผิดธรรมชาติไปหมดเั้นเราจะเห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเร็วปานใดเขาบอกนิตย์ตะลีตะพัตพาพว่าเราต้องมาอยู่ที่ริมธารนีเราต้องลงมาที่ ที่ลิมธานีเราจึงไม่ว่ารถไฟจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเท่าไหร่เราจะสามารถมองเห็นมันความเร็วสูงนั้นได้ได้ได้ความเป็นจริงเราคุ้ยนี่มันขอให้มากเลยว่ะค้ายจิตกับใจมากเลยค้ายจิตที่ปรุงแต่งกับใจที่ไม่ปรุงแต่งมากเลยเออตรงเนี้เราเราเร า, เราดูมันตั้งหลายรอบตรงนี้เออเมันคล้ายกันมากเลยจริงๆอันนี้ไอน์สไตน์เออนี่ยทำไปชีวิตอยู่มอง คุยก <K ul iffe> ันส really ัห uh, น like ่อยมันน่าจะรู้อรหัน์ได้ก็แล้วเนี่ยเพราะวีสุวิสอยู่นี่มาคุยกันหน่อยน่าจะรู้อารหัน์ได้เพือนนะมันใกล้กันมากเลยเนี่ยทุกอย่างเคลื่อนไหวถ้าเราไม่เคลื่อนไหวอ่ะทุกอย่างเคลื่อนไหวแต่เราไม่เคลื่อนไหวมันจะรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงหมดเลยไม่ว่าจะเร็วปัลโมนปานูปานใดอ่ะเหมือนกับลปพดุลตษโลที่กล่าวไว้เลยว่าเนี่ยถอดมรรคจิตเนี่ยมรรคจิตเนี่ยที่ถอดถอดถอดลูกวิญญาณเนี่ยที่ถอดรูกวิญญาณด้วยมรรคจิตเนี่ยถอดลูกปรัมณูวิญญาณด ปละมมนุวิญญาณก็คือวิญญาณนี่ก็คือวิญญาณนาขันที่จิตที่ยงเรียกว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยนาขันที่มีความเร็วสูงมากเลยเกิดดับเร็วมากจิตหรือวิญญาณนาขันเป็นสิ่งที่เกิดดับเร็วมากแต่เร็วปานใดก็ตามมาเดิมนั่นมรรคจิตเนี่ยที่ในเคลื่อนไหวเนี่ยสามารถที่จะถอดรูปวิญญาณได้คือไม่จิตไปกับจิตไม่ว่าที่ความเร็วสูงนั้นก็จะสามารถพ้นจากจิตที่เคลื่อนที่เร็วได้หรือพ้นจากจิตที่เคลื่อนที่เร็วสูงได้ คือเหมือนกับเราจะไม่ติดไปบนรถไฟที่มันเคลื่อนที่ความเร็วสูงได้ถ้าเราไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าเราเคลื่อนที่เราจะไม่สามารถที่จะรู้ความเร็วของรถไฟความเร็วสูงได้